การสวดมนต์เป็นกิจที่พุทธศาสนิกชนปฏิบัติกันมาช้านานอานิสงของการสวดมนต์คือจิตรำลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรยัยจิตสงบเป็นสมาธิเป็นการสั่งสมบุญบารมีในสมัยพุทธกาลเมื่อคราวเกิดโรคระบาดที่เมืองเวสาลีทาให้คนและสัตว์ตายเป็นจำนวนมากพระอ น, นุ์จึงได้ไปอย่างนาทีนั้นแล้วสวด ร, รัตนสุ โรคนั้นได้ระ ง, งับไปสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประชวนโปรดให้พระจุนทเถระสวดพ่ชังคปาริตถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้หายจากอาการประชวนครั้งหนึ่งหมู่พิกษุไ ป, ปบำเพ็ญสมณธรรมในป่าถูกพวกอมนุษย์รบกวนพระพุทธองค์โปรดให้สวดกรณียเมตสูตรไทยเหล่านั้นก็หมดไป